บทภาชณีติกะปาจิตตีสองร้อยสของเต็มเกิน2อถึงสบาทภิกษุสําคัญว่าเกินรับต้องอบัติปาจิตตีของเต็มเกิน2อถึงสบาทภิกษุไม่แน่ใจรับต้องอบัติปาจิตตีของเต็มเกิน2อถึงสบาทภิกษุสําคัญว่ายังไม่เต็มรับต้องอบัตติปาจิตตีทุกๆุกกฎของยังไม่เต็ม2อถึงสบาทภิกษุสําคัญว่าเกินต้องอบัตติทุกกฎ ของยังไม่เต็ม 2-3 บาทภิษูไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎของยังไม่เต็ม 2-3 บาทพิสูจสำคัญว่ายังไม่เต็มไม่ต้องอบัต